Book 2 35า5สิาที่สนามบินที่ฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ Je to přímý let? ขอที่นั่งริมหน้าต่างแ <an> ละไม่สูบบุหรี่ค่ะ Sedadlo u okna ok v nekuřáckém oddělení prosím. ดิฉ <S an> ันขอยืนยันการจองค่ะ Chciałbym potwierdzić rezervaci. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Chtěl bych zrušit rezervaci když chtěl bych změnit svou rezervacimký kdy letí příští letadlo doříma Jsou tam ještě dvě volná místa. ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ กี่เดียร์เดออุตสดนนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ j นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ j t v a e taška? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ j v a š, š zavazadlo? ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะคอลิกลยี่สิบกิโลกรัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะคารุณาไปที่